Thank hey. you. वेला पायद नलिका ด้วยผูกพัน fn 90.25 เมกะเฮิรตสวท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 ฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อ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 เพิ่มด้วยความๆอย่างบันเทิงให้เค้าได้คลายเค้าได้ลดความกด ไม่มีข้อยุติไปมีข้อยุติไม 2 โน่นมีกฎหมายมาทําการไป 2 สภาปฏิรูปนะครับวันนี้ชาติเผชิญ มีอาส เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกระทรวงตั้งแต่วันที่เอกชน 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นเพื่อป้องกันการสับสนต่อข่าวลือต่างๆมา ถึงความเป็นจริงเพื่อไม่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงบริษัท ตำรวจรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆตำรวจรวม 100 สถานี สู่พี่น้องประชา 25 นาทีคร่วงเวลาตั้งแต่ 8:05 น. ถึงเวลาๆ ทุกจังหวัดสถานีวิทยุทุกตำรวจทหารภาคธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชน รวมทั้งคณะแม่บ้านของทุกหน่วยงาน ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาคำที่แจ้งของพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อประชาชนและการคืนความสุขให้คนในชาติวันนี้เราจะทำงานด้วยความมุ่งเท 9 ปีที่ผ่านมา 2 20 จังหวัด 95 สถานี ขอเชิญ จะดำรักพระองค์ มันของ อย่าอย่าจักใครแต่ คนของมองมากสะติตั้งแล้วมองใหม่บนถิ่นขวานทองคือพี่น้องคนไทย ปองปาฐพี ทุกเวลา 8 น. ถึง 8:30 น. กับราย FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 729 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ 20 จังหวัดรับสัญญาณ มีสถานีวิทยุ 1 ขอนแก่นเขต 2 9 มิถุนายน 2557 นะคะวันนี้เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ก็ ซึ่งดิฉันโสภิดาดวงสมเนรเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะช่วง จะได้ทําใจนะมีความสุขหนี้สินต่าง ไปใช้นี่ ผลประโยชน์มากขึ้นนะครับค่ะนั้นก็เป็นเสียง นี้มาสนทนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งยั่งยืนนะคะใน 11 ประเด็นเช่นประเด็นปัญหาการ กระบวนการยุติธรรม 11 ประเด็นด้วยกันซึ่งเหมือนกันทุกจังหวัดทั่ว เน่นะครับในระดับจังหวัดดําเนินการโดย ภาพรวมของการที่ๆ ใกล้ๆจะพักเสียงก่อนว่า 4 กลุ่มไปทําการ 11 หัวข้อเรื่องข้อ 11 หัวข้อ พบแถลงกัน 2 หรือถ้า 2 จะจัด 5 6 และ 7 กรกฎาคมนะครับที่ พรุ่ง 7 จนถึงเวลา 16 เวลา 16:00 20 จังหวัดมามา 11 ประเด็นเช่น ก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่รับ การซื้อสิทธิ์สายขายเสียงเนี่ยก็ให้มี กกต. เนี่ยเต็ม 200 แนว 100 อย่างไร 19 จังหวัด 7 เวลาตั้งแต่ บ่าย 4 น. น, น, นไปถึง 4:00 20 จังหวัดอีก 19 จังหวัดฮะ <ข อ, S 1> 7 ช่วง 4 1:00 น. 5 6 และ 7 ตั้งแต่ 4 า, 2 ง, รร น. ถึงประมาณเวลา 20:00 น. เราก็มีกิจกรรมการความบันเทิงนะครับเช่นการจับหางานนะถึง 20:00 น. ทุก 7 ตั้ง การคงไปถึง 11 ประเด็นแนว แนวทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ การศึกษาแนวทางการปฏิรูปด้านข้อ 19 จังหวัดนะ ที่จะส่งไปยังระดับชาติๆ ทุกกลุ่มเราแยกกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม รวมทั้งมีข้อแนะนํามาให้ พี่น้องประชาชนซึ่งเค้าเริ่มมองเห็นแล้ว 20 จังหวัดให้ นำไปเสนอสภาปฏิรูปใน ในกิจกรรม 5 6 7 กรกฎาคมนะคะทางจังหวัด 80 2 ส่วนสําคัญ 5 6 7 ที่ เริ่มตั้งแต่อยาก งานพิธีการนะครับเช่นพิธีเปิดงานหรือ 17:00 น. 5 โดยมีท่าน ที่ 2ๆนะ 5 7 ภาย 1 ค่า 2 กิจกรรมในการที่ ต่ำกว่าในท้อง อ่าการสงเคราะห์เรื่องแรงๆในการเช่นใช่ครับการรณรงค์ นะครับเป็นการ 7 ช่วงบ่ายถึง 11 ประเด็นที่ผมได้นําเรียน เนี่ยทําหรือ หมอจะมองอยู่แต่ข้อบกพร่องของผู้อื่นนะ ไม่ใช่จะไปเน้นแต่การเมืองอย่างเดียวเรา 11 ประเด็นว่าแต่เช่นผมได้เห็นเอกสารอยู่นะ อ่าประชุมเน้นๆเนี่ย หลายๆมิตินะครับผมจึง 5 6 และ 7 ธันวาคม จังหวัดทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสานของเราทั้ง 20 จังหวัดใน 11 ประเด็นที่ พัฒนาการเมืองการปกครอง แล้วก็การ<อ> การพัฒนาบ้านดําเนินของเราให้ดี ค่ะของพูด ฟรีียดอะไรน้องเนี่ยอยากจะใส่เสื้อแดงก็ใส่ๆที่จะมีเพราะเราเดิน ไม่ต้องระมัดคณะรักษาความสงบแห่งชาติๆครับหรือ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมเป็นและประชาชนอย่างยั่งยืนไว้ 3 ระยะด้วยกันก็คือระยะ คนมีความสุขที่ยั่งยืนจึงเป็นหน้าว่า รพ. พลโทชังชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่ 20 จังหวัดภาย และผู้อํานวย 2 และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะและขอขอบคุณ ฝากไว้ท้ายรายการวันนี้ทุกคนคือคนไทยร่วนใจรู้รักสามคีรายการวันสวัสดีค่ะ พลภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยเวลา น. ถึง น. ฟังเรื่องราวดีๆมี